ตอนนั้นก็มีพลามคนหนึ่งเป็นเสนาบดีอเอ่ยชื่อเนี่ยเราจะเคยได้ยินชื่อกันคือวัสาการัพรามเป็นมนตรีของกษัตริย์มคตมาจนถึงยุคของพระเจ้าอชาชัตรู แกก็มีลูกสาวคนนึงก็ธรรมดาตามธรรมเนียมของโบราณเนี่ยหน้าที่ของพ่อแม่พอเจริญวัยขึ้นต้องหาคู่ครองให้ทั้งผู้ชายผู้หญิง น, น ะ, ะก็ก็เห็นว่าลูกสาวก็โตเป็นสาวควรจะออกเรือนได้ก็หาคู่ครองให้ก็เห็นว่าอุตรมามนบเนี่ยสมควรทั้งเหมาะกันด้วยประการต่างๆก็ ไปเรียกว่าแจ้งความประสงค์ของตนให้ทราบวจะยกทิดาให้แต่อุตรมามนบนั้นได้ปฏิเสธความหวังดีเรียกว่าทำให้วัสการพาพราณ้าแตกหมอไม่รับเย็ดกันคนระดับนี้ไป อ, อ่ อ, อเอยปากอย่างนี้ไม่เกรงใจกันเลยวัสการพาพราณแกก็เป็นเดือดเป็นแค้นถือว่าดูถูกมากทำไมถึงปฏิเสธ เพราะว่าอุตระเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยได้ไปฟังเทศจากภาษาริบุตรฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็ตั้งใจว่าจะได้บวชโดยที่ตอนนั้นไม่ได้บอกให้ใครรู้นะแล้วเมื่อได้โอกาสก็ได้ไปขอบวชกับท่านภาษาลิบุตรทภาษาลิบุตรก็บวชให้มาบวชแล้วก็อยู่กับท่านอย่างใกล้ชิด อันนี้ก็เกิดมีวันหนึ่งนิมเกิดเรื่องขึ้นวันนั้นพระสารีบุตรเกิดอาพาธท่านเอาอุตระตอนนั้นบวชเป็นเนนนะไม่ได้บวชเป็นพระหละ้วอายุไม่ครบยี่สิบก็ออกไปบินท บ, บาทที่เมืองอในเมืองราชคลืนล่นนั่นแหะทีนี้ก็เดินทางออกแกยววัดมาคงจะเดินทางไกลแล้วก็ อินเดียนี่ยเขาเหมือนพมา่าคือพระบินทะบาทสายนะคือคนจะใส่บาทเนี่ยเ ม, มื่อก่อนเดียวกินเกินเลยเรียบร้อยแล้วพระบินทะบาทสายไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ใส่บาทกันตอนเช้าพระออกสายก็ไม่ได้รับของใส่บาทก็รู้สึกว่าใส่บาทอย่างบ้านเราได้บุญเยอะกว่าแบบแบบอินเดียโบราณเพราะว่าแดดมันร้อน ของเราใส่บาทรจะมืดใช่อากาศกำลังดีผมก็รู้สึกว่างั้นเนี่ยเพราะว่าไ ด, ได้ใส่มาแล้วทั้งสองแบบก็เดินทางไปถึงที่าสาบบอกนี้คือทะเลสาบที่เหนือก็ไปลงหงวักน้ำล้างหน้าอึ่งก็ไปปรเอินตอนนั้นเนี่ยมีโจรมันปล้นทรัพย์จากในมือแล้วก็ขุด อุโมงลอดกำแพงออกมาหนีมาตรงนั้นพอดีพวกราชบุตรก็กําลังตามมาก็าเห็นว่าของยาวไปไม่ไหวก็เลยไม่รู้จะซ่อนที่ไหนเห็นบาดเนนนะฮะวางอยู่ก็เอาพวกเวทนิชินดาที่ขโมยมาได้เนี่ยใส่ไปในบาดเนนก็กะว่าใส่บาดแล้วไม่ได้ทำบุญนะฮะไม่ใช่ใส่บาดทำบุญแต่ใส่บาดเราเห็นว่าเป็นที่เดียวที่จะเอาคืนได้ จะไปใส่กระเป๋าโยงก็คนไหนคนนั้นก็เอาไปเลยเป็นลาภของโยมไปเลยกันนกวเออใส่บาทแล้วปลอดไปเอาไปเอาคืนที่หลังได้พระไม่เอาหรอกทีนี้เนนก็ไม่รู้มัวไปล้างหน้าอยู่ก็ เ, เดินทางกลับมาถึงบาทราชเจเบรุษตามมาทันพอดีเข้าใจผิดคิดว่าเนนนะเป็นเนนปลอมบวชคือเป็นพระปลอมนะมองไม่ทาไมถามเป็นเนนก็ไม่รู้ว่าเป็นเนนเพราะเป็นหนุ่มแล้ว ก็เลยจับตัวไปจะไปลงโทษพอเอาไปให้วัศกาลพรับลซึ่งตอนนั้นทําหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินคดีความแทนพระเจ้าแผ่นดินพอดีเห็นแล้วก็จําได้ว่านี่แหละคืออุตระมานพเป็นแค้นเป็นเดือดอยู่สองเรื่องถึงเวลานี่เป็นเดือดสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือดูถูกเราทีแรก เรื่องที่สองคือไปบวชเข้าลัทธิภายนอกที่ตัวไม่เลื่อมใสก็เลยไม่ได้สอบถามอะไรแล้วครับสั่งให้ลงโทษลงโทษด้วยวิธีห น, น, น่ารกรัวในนี้ลราวาในเทระคาถาเนี่ยเอาไปเสียบหล่าวประจานทั้งเป็น ก็ไม่ไม่รู้เสียบตรงไหนไปไหนนะั่นไม่ได้เล่าไม่ถึงก็ตายเนี่ยแต่ว่าได้รับทุกเวทนาแรงกล้ากัแล้วกันตอนนั้นพระภูมีพระภาคได้ส่งแผ่ขายพยานรู้ว่าเนนนั้นจะบรรลุทําได้ก็ได้ทรงสเสด็จมาที่นั้นคือในระหว่างที่ไม่มีคนเนี่ยสเสด็จมาแล้วก็ใช้ฝ่าพระหัตถ์เนี่ยรูปศีรษะทําให้ อุตรารามเนตนันเกิดปีติความทุกข์หายจึงได้ทรงแสดงธรรมเมื่อได้ทรงแสดงธรรมแล้วอุตราราชสมเนตก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คาหลาวเลยนี่เจอเป็นรูปที่สองประเภทบรรลุคาตะแหลงแกงก็มีคาหลาวก็มีนะอย่างนี้เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยพระ ทั้งหลายก็ถามสามเณรบอกว่ า, าสามเณรท่านได้รับทุกขเวทนาแรงกล้าถึงอย่างนั้นทำไมถึงปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงทำให้เป็นพระอาารหันต์ได้เพราะปะกติคนที่ได้รับความทุกข์แรงกล้าปฏิบัติกรรมฐานลำบากนะแต่ว่าเรื่องนี้นะ ความจริงพระผู้มีพือภาคก็ได้ตรัสแก่เนนนั้นเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็สอนให้ก็ได้กําหนดรู้เป็นเบื้องต้นว่านี่เป็นกรรมของเนนคือคนที่มีชะตาจะมาบรรลุธรรมเนี่ยมันก็มีต่างๆกันบางคนไม่ได้มาชดใช้กรรมอย่างนี้ซะ ก, ก่อนไม่มีทางจะบรรลุเรื่องนี้น่ะถึงบอกว่าอา่า อย่างคนที่ที่มามาเป็นบ้าเป็นหลังเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไอ้บางคนเนี่ยมันบ้าอะไรมันก็บ้าได้แต่นะั้นได้ไหลายหลายสาเหตุแต่บางคนเนี่ยต้องบ้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมคนอย่างนี้นะ่ะคนสอนกรรมาฐานนะ่ะน่ากลัวมากสำหรับคนสอนกรรมาฐานอาจารย์สอนกรรมาฐานตัวเองที่ต้องมาบ้าเพราะเรื่องนี้ถามว่าทําไมต้องมาบ้าเพราะเรื่องนี้ ตอบว่าเพราะพวกนี้ได้ทํากรรมผูกพันเกี่ยวด้วยเรื่องนี้เช่นเราไปว่าใครว่าเนี่ยไปปฏิบัติวิปัสนาเขาอีกหน่อยมึงต้องบ้าแน่พ่อบ้าเลียกไม่พอยังเอาลูกไปบ้าอีกแล้วเกิดไปว่าเขาเกิดเป็นพระอราหันต์แล้วว่าไงเขาเป็นโสดาบันแล้วว่าไงไปว่าเขาอย่างนี้หรือแช่งเออไปปฏิบัติกรรมาฐานนให้มึงบ้าเนี่ยไปทํากรรมลักษณะอย่างนี้ อย่างที่สมัยก่อนเคยมีมาก็กต้องมาบ้ารเรื่องบ้าเรื่องอื่นไม่ได้นะทีนี้ถ้าหากว่าคนอย่างนี้ไปมีการแล้วไม่มีบารมีมาทําให้บ้าแล้วแล้วมาได้ดีก็บ้าไปเลยบ้าสนิทไปเลไม่มีการอกลับคืนได้ที่กลับคืนได้เพราะมันมีอะไรมีตัวแปรอย่างอื่นนะฮ ะ, ะคนที่ไปทำำํากรรม เกี่ยวกับการทำร้ายคือไอ้ไม่ได้ไปไปว่าเขาไปทำร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาทำนองว่าลูกเขาวัดลูกปฏิบัติธรรมลูกออกบวชก็จับมาลงโทษเกลี้ยนตีอย่างเงี้นะมันก็เป็นเวรกรรมติดถ้าว่าชั้นหลังตัวเองมาเห็นดีเห็นชอบเขา ว่าทรมาเป็นของดีมาสร้างสมบารมีเขาก็เลยทำให้คนคนนั้นเนี่ยกลายมาว่าต้องมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องได้รับทุกเป็นทุกขาปฏิปทาอย่างเงี้ยทุกขาปฏิปทาทันทาบิญญาอย่างแสนตาหัดจึงจะบรรลุธรรมได้แต่ว่าบางรายก็มันคนกรณีกันมีเหมือนกันแล้วเวลามาให้ผลมันเกิดมามาสอดคล้องกันในจังหวะนั้น ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปทําบาปกับคนที่เขาประพฤติบุญประพฤติกุศลแล้วก็เลยมาขวางตัวเองเวลาจะประพฤติบุญประพฤติกุศลเนี่ยต้องได้รับวิบากเสีก่อนจึงจะบรรลุทําได้ประสบความสาเร็จในธรรมได้มันก็เป็นกรรมกล่าวพระภูมียภาคก็ตรัสให้ลันลึกถึงกรรมกล่าวเพื่อเป็นการทําให้เกิดกรรมมัศกาปัญญาเสียเป็นเบื้องตน้น ย่าได้อุ่นใจไม่ไปเรียกวันละพยาปาทะนิวรที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะผู้สั่งให้ทําหรือผู้รับสั่งให้ทําว่าตัดใจจากสิ่งเหล่านั้นอดกลั้นเวทนาได้ด้วยอาการอย่างนี้ปิติเกิดจึงได้ส่งแสดงธรรมและทําให้บรรลุธรรมได้ทีนี้ที่ท่านตอบพระทั้งหลายเนี่ยนี่มาดูคําตอบท่านถึง เป็นการตอบด้วยอารมณ์ของวิปัสนาว่าเสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นและสามารถสวนกไววิปัสนาได้อย่างไรท่านตอบว่าพบอะไรที่เที่ยงไม่มีแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไป เรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการด้วยพบสลัดตนออกจากกรรมทั้งปวงบรรลุถึงความสิ้นอาสวะดังนี้คือไอเครื่องบรรเทาความทุกภายนอกเครื่องข่มทุกภายนอกเนี่ยสำหรับคนที่อย่างกรณีท่านบรรลุเป็นพระหันแล้เนี่ย มันมีหลายหลายหลายขั้นหลายหลายชั้นอย่างในชั้นการทำใจการระลึกถึงกรรมในชั้นการรีวิวรับพลังบา ร, รมีจากพุทธเจ้าจากฝ่าพระหัตที่ทรงรูปศีรษะแตะบนทิศะของท่านนั่นก็ช่วยอันหนึ่งก็ เ, เรียกว่าต้องค่อยๆดึงขึ้นมาเหมือนว่าเวลาเราเราแก้ปัญหาให้ชีวิตคนเนี่ย ต้องมองว่าปัญหาไล่รุนแรงที่สุดเป็นอยู่ตรงไห น, นแล้วต้องเตรียมพื้นฐานก่อนปัดเป่าขั้นพื้นฐานเตรียมพื้นฐานให้ได้เพื่อเป็นทุนก่อนแล้วดึงขึ้นมาขั้นที่สองแล้วก็ปัดเป่าแก้ไขขั้นนั้นแล้วดึงขึ้นมาเพราะว่าบางทีไอ้คนบางคนเนี่ยไอ้ไอ้ขั้นพื้นฐานอยู่ต่ำมากแต่ว่าความหวังความปรารถนาของญาติของตัวเองมันอยู่ในขั้นสูงอุปบปปับไปบอกว่าทาอย่างนี้สิบอกได้แต่ทาไม่ได้ เพราะมันหวัวไกลเกินเอื้องหะล็วเกินอย่าว่าแต่ทำเลยแม้ความคิดจะทำก็ไม่มีและอย่าว่าแต่ความคิดจะทำเลยพูดป๊๊บเข้าหูซ้ายตะลุหูขวาเรารู้ว่าไม่จำหรอกต้องต้องจะตามจี้บางคนก็ถามเอาสูงเลยไม่มีประโยชน์ถ้ายังเตรียมพื้นฐานไม่ได้นั่นต้องบอกว่านี่เรื่องเฉพาะหน้าให้เขาใส่ใจเฉพาะเรื่องนี้จนถึงเวลานี้ก็ก็ขึ้นมาจนถึง จุดหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เรียกว่าทำให้เกิดพลังอดทนการปล่อยวางได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้คืออะไรคือวิปัสนาญาณที่สี่วิปัสนาญาณที่สี่ขึ้นไปแล้วเอาญาณที่สี่นะเป็นใช้ได้แล้วเพราะนั้นที่ท่านกล่าวถึงว่าพบ ไม่เทียงสังขารไม่เทียงขันเวียนเกิดเวียนดับต่างๆเหล่านี้คือพูดถึงการเห็นความเกิดดับสองในที่ได้ว่าคราวที่แล้วในหนึ่งคือโดยขณะสังขารไม่เทียงเกิดดับแล้วก็พบไม่เทียงนี้เป็นการกล่าวถึงความเกิดดับโดยปัจจัยสองอย่างเห็นทะลุ ทั้งขนาปัจจุบันโดยขณะแล้วก็ความหมุนเวียนแปรไปตามกระแสเหตุปัจจัยคือกิเลสและกรรมนั่นแหละที่ว่าอย่างในหลักความเกิดดับโดยปัจจัยท่านได้เข้าไปเห็นอย่างนี้เมื่อเข้าไปเห็นอย่างนี้นะ่ะความทุกข์ที่กําลังปรากฏเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเรื่องนี้ต้อง ขยับให้เข้าสู่ประสบการณ์อย่างเราๆเราจะเทียบได้โดยเปรียบเทียบก่อนว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ดีๆจะยื่นแขนไปให้หมอก็ฉีดยานเนี่ยเรากลัวใช่ไหมใช่ผมก็กลัวผมเนี่ยมันเป็นเรื่องชะตาการรมบอ้เขาฆ่าอัะตรงกันตายนี่ผมไม่เคยเสียวหรอกยิงปืนกันอะไรแต่ถ้าพูดถึงไอ้เข็มเข็มเข้มๆที่พนเสียวนะ ขนาดข่าวที่ว่าหมอฟันจะใช้เข็มขีแล้วกลืนเนี่ยผมยังอ่านไม่อยากอ่านเลยครับแล้วไปเปิดวิทยุก็ามาอ่านเนี่ยผมต้องปิดวิทยุเลยเฮ้ยแล้วผมก็มานั่งนึกทําทำไมผมกลัวก็มงดูอ๋อเรานี่มันสัมผัส ก, กับกรรมเก่าเราเรานะตกตกปลาแทงหมวกตอนทำไอ้ปลาไว้เนี่ย ถ้ามองอะไรมันลงๆคอแหลมแหลมมเลิมอะไรผมกระเทือนเลยครับแต่ถ้ามีดฟันชัวงเฉยเพราะว่ามันไม่สัมผัสกรรมของเราน่มพื้นฐานกรรมโอ้เราเลยรู้ออเราเป็นอย่างนี้เองเราถึงทนไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆครับพอได้ยินปั๊บเนี่ยหัวมันเสียวไปทั้งคอทั้งถึงลำไส้แม่มันขืนปล่อยเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวกรรมก็ลงเลยเดี๋ยวก็มาเจอเจอด้วยตัวเองบ้างละกรรมตามทัน เลยเสียวนี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเข็มฉีดอยู่ฉียาเนี่ยผมก็เลยเสียวแต่เชื่อไหมก็เวลาเราป่วยผมเคยไปให้น้าเกลื อ, อเคยเป็นโรคหืดหอบเวลาลำกาเริบแรงๆเนี่ยเวลามันกำเริบต้องควักมือเรียกหมอเลยนะเรียกพยาบาลไปเรียกหมอมาฉีดยาแหมรู้สึกว่าเข็มฉีดยาในเป็นของน่าชื่นใจไปเลยใช่ไหม นี่เราไปเห็นคนเขาผ่าตัดโน่นผ่าตัดนี่เราไม่ได้ป่วยเราก็รู้สึกว่าหน้าวาเดเสียวลองป่วยเองบงั้งสิเราก็จะเห็นคมมีดของหมอเป็นของน่าชื่นใจไอ้ทุกทุกจากคมมีดเป็นเรื่องเล็กไปแล้วอยู่ๆใครจะมาตัดแขนเราไปทิ้งข้างมันก็เป็นเรื่องหน้าหวาดเดียวแต่เกิดเราเป็นโรลคลายแรงขึ้นมาเช็นเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไร หรือใครก็บอกเออถ้าตัดแขนข้างคุณเป็นเอชทั้งตัวจะหายทั้งตัวมันหลุดไปตามแขนนั้นด้วยถ้าหายเป็นคนเราก็อยากตัดใช่ัหมละ่ะเออหมอคนไหนที่ทําพิธีตัดแขนแล้วหายจากโรคเอชได้นี่เราสมมติคิด่ะว่ามันก็คงจะกลายเป็นของดีไปสําหรับคนที่มีทุกข์มั่งอย่างนี้เห็นทุกอย่างนี้ทีนี้กรณีของคนปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เกิดความทุกขาเวทนาอย่างรุนแรงขึ้นมา ไอ้รุนแรงคนมีทุกข์ถ้าทุกข์ภายนอกยังครอบงำอยู่แปลว่ายานมันไม่เห็นอะไรแต่ถ้ายานอย่างเห็นอะไรที่มันน่าจะดุ้งสะเทือนในทางปัญญาเราจะลืมความทุกข์ลืมข้อขัดข้องชั้นนอกทันทีเลยครับบางทีเนี่ยมัน ม, มั น, ม, นมีอะไรที่มันจุกจิกหรือมันทุกข์ปรากฏเงี้ยนะแล้วอยู่ๆเกิด ญาณมันเห็นอะไรขึ้นมาไอ้ทุกข์นั้นหายไปเลยครับโดยไม่ได้สั่งสักคำเดียวยูยูหายไปเลยใช่ไหมฮะเอาเรานึกแค่ขั้นสมาธิก็ได้ถ้านึกเขาไปเห็นไอ้ความน่าสะพึงกลัวของรูปของนามเนี่ยโอ้ไอเรื่องนั้นมันหายไปเลยเพราะนั้นถ้าใครไม่ลืมฟังพระสูตรที่บรรยายเมื่อสัก สองสาครั้งมาแล้วนะวะพระพุทธเจ้าตรักสกัดว่าถ้าเช้าขึ้นมาถูกคนเขาทิมโดยหอกร้อยเล่มกลางวันอีกร้อยเล่มเย็นอีกร้อยเล่มรวมแล้ววันละสามร้อยเล่มก็ยังเป็นสิ่งควรให้เขาเอาหอกมาทิมมาแทงวันละสามร้อยเล่มถ้าหากว่าการทิมแทงนั้นจะทําให้เราเนี่ยบรรลุญาณ ออกสามรอยเล่มวันละ3ามร้อยเล่มนะแล้วท่านบอกว่าอยู่ตลอดร้อยปียังเป็นสิ่งน่ายินดีไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านพูดอย่างนี้อ่านแล้วเราก็ยังไม่ยอมเชื่อนะไม่อยากเชื่อแต่ท่านพูดอย่างอารมณ์ของท่านอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ว่าเป็นอย่างนั้น แล้วยังมีข้อเทบเที่างอื่นอีกในลักษณะฟังดูหน้าหวาดเสียวอย่างนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเห็นไอ้ตรงนี้ทำให้ท่านทนได้ทนไม่ต้องมาฝืนใจทนแต่มันลืมไปเลยครับคมสนิทไปเลยใจมันไม่อยู่ที่นี่แล้วก็จึงเป็นเหตุทำให้บรรลุธรรมได้ที่ ที่ลาวนั่นแหละแล้วมีข้อความต่อไปซึ่งเป็นเรื่องในทางลิบหน่อยที่ท่านบอกว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ลาวนั้นแล้วแล้วก็หลุดจากลาวคือด้วยอํานาจของธรรมะลอยออกมาจากลาวเป็นอิสระ เป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่ใช่อาหารหันต์ธรรมด า, ารอาหารหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยอภิญญา ด, ด้วยและตรงนี้นะท่านก็ชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาญาณที่ได้แก่สมมเณีอุตระเนี่ยถามว่าเห็นอะไรอนิจจังทุกขังนาตานียเห็นอะไรออกหน้าท่านบอกว่าเห็นอนิจจัง จากการกําหนดทุกข์นั่นแหละคือไม่ได้เห็นทุกขลักษณะแต่ไอเห็นไอทุกของท่านเลย ก, กลายไปว่าทุกเวทนาแต่เวลาเห็นในทางสภาวะหรือ ก, กลายเป็น อ, น, น, อ น, นิจจ์อนิจจลักษณะไม่ได้เห็นทุกขลักษณะซึ่งเรื่องนี้คนอื่นอาจจะเห็นทุกขลักษณะในชั้นวิปัสสนาก็ได้แต่ของท่านไม่งั้นของท่านนี้เบื้องต้นทุกเป็นตัวกระตุน้น ตุกเวทนาตัวกระตุน้นแต่เวลาบรรลุวิปัสนาญาณแล้วเห็นอนิจังออกหน้าเห็นความไม่เที่ยงออกหน้านี่เป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นพระหลานอันนี้อีกองค์หนึ่งเป็นภิกษุณีนี่ตั้งใจจะเอามาเล่าให้ฟังเลยคือ พภิกษุณีองค์นี้นะ่ะเป็นพระอรหันต์ที่บ่วงผูกคอตายผูกคอตายแล้วแทนที่จะตายเป็นปลาแทนที่จะเป็นผีเป็นปลาอรหันต์นี่จะเห็นว่าเรื่องผูกคอตายนี่ไม่ใช่มีเฉพาะสมัยนี้สมัยพุทธกาลก็มีแล้วในวัดก็มีไม่ใช่เฉพาะมีแต่นอกวัดภิกษุณีรูปนี้ชื่อว่าอ่าพระ นางศีหาเถรีในท่านเล่าเอาไว้เองอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวที่ น, นี่ท่านดูนะฮะว่าทำไมถึงผูกคอตายอันนี้นะเวลานั่นเราจะแบ่งมันเหตุใกล้เหตุไกลนะผมได้พูดถึงพระเถระองค์หนึ่งเมื่อกลางก่อนๆท่านสัปปทาสา นั่นก็ปาดคอตายทำไมถึงปาดคอตายเหตุคล้ายกันเลยครับเหตุใกล้เนี่ยคล้ายกันเลยอืพิษุณีเล่านี่ตอนเล่านะ่ะเป็นอรหันต์แล้วนะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่หมายก็ว่าบวชแล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมบวชแล้ว แล้วนานแค่ไหนท่านจะบอกของท่านไว้ในคาบอกเล่าของท่านโดยตรงข้าพเจ้าถูกกามราคะเบียดเบียนมีจิตฟุง้งซ่านทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เพราะมนสิการโดยอุบายที่ไม่แยบคายข้าพเจ้าถูกกิเลสกลุ่มหลุมเป็นไปตามความเข้าใจในกามคุณว่าเป็นสุข ตกอยู่ในอำนาจของจิตอันสัมปยุทธ์ด้วยราคาจึงไม่ได้ความสงบข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ผอมเหลืองปราศจากผิวพันอยู่เจ็ดปีมีแต่ทุกข์ไม่ได้ความสุขทั้งกลางวันกลางคืนได้ความไหมนี่หมายความเนี่ยนางเนี่ยออกคือนางศีหาเนี่ยนะครับเป็น ลูกน้องสาวลูกสาวน้องสาวของศรีหาเสนาบดีศรีหาเสนาบดีเนี่ยเราก็เคยได้ยินชื่อเสียงท่านตอนหลังมาเป็นพุทธเป็นชาวเมืองเวสลีแล้วก็นางมีความเลื่อมใสในธรรมะมานานกระทั้งขออนุญาตออกบทตั้งแต่ยังไม่ได้ออกเหรือนนะ บวชแล้วก็มุ่งที่จะเจริญวิปัสนากรรมฐานเพื่อมุ่งจะให้หลุดพ้นอยู่เจ็ดปีในเจ็ดปีเนี่ยถูกกิเลสครอบงำคือกามราคะอา น, นี่เล่าก็เมื่อถูกการมาราคานนี่เนื่องจากว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อสู้กันหนึ่งความรักในชีวิตปรมาจารย์ไม่อยากจะออกไปเป็นฆร า, าวาสแต่เมื่อบวชอยู่ก็ถูกกิเลสครอบงำ ตามภาษาของคนวัยสาวแล้วปฏิบัติทำก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั่นแหละซึ่งร้ายแรงถึงขนาดทำให้ผอมเหลืองผิวพันธ์สู้ซีดเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าไอ้ศึกก็ไม่อยากศึกอยู่ก็อยู่อย่างตัวกายเป็นพระใจไม่เป็นพระอย่างนี้ทำยังไงดีก็นึกน้อยอกน้อยใจว่าเราถ้าจะไม่มีวาสนาในธรรมะ นางก็จึงบอกว่าเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าจึงถือเอาเชือกเข้าไปสู่ราวป่าด้วยคิดว่าจะผูกคอคอตายอยู่ในที่นั้นดีกว่าที่จะกลับไปสู่ความเป็นก็เรื่องอื่นอีกเราถือเชือกไปฆ่าตัวตายอ่าเราย้อนกลับไปหาท่านสัพพทาสานิดหนึ่งท่านสัพพทาสานี่ยไม่ได้ถูกกามรมาลาฆ่ารบกวน แต่อยากศึกโดยไม่มีเหตุผลจำท่านสัพพะทาศาได้นะพระหมองูพระที่มีงูเป็นธาตุแล้วฆ่าตัวตายเอามีกรงช่างกระบอกมาฆ่าตัวตายอยากศึกอยากศึกด้วยสาเหตุกรรมเก่าโดยไม่มีเหตุผลในทางกิเลสเลยมันต้อบอกว่าปัญหาชีวิตคนเราเนี่ยมันมีบางอย่างไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายได้ด้วยไอ้ความรู้สึกเหตุผลใกล้ มันเกิดจากกรรมก็จะไปโทษนูนโทษนี่มั่วออไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ทนต่อการที่จะยอมรับเรื่องแบบนีงเกิดขึ้นจากกรรมอีกอย่างคือเกิดจากกิเลสปัจจุบันของตัวก็เลยว่าสองท่านสัปปะอยากศึกเพราะกรรมนางสีหาเถรีอยากศึกเพราะกิเลสแล้วทั้งสองคนก็ ใจหนึ่งไม่อยากสึกมันสู้กันนะความไม่อยากสึกเอาชนะก็เลยหาทางออกก็โดยการฆ่าตัวตายนินางก็เล่าว่าข้าพเจ้าทำบ่วงให้มัน่นถูกที่กิ่งไม้เหมือนละไมนี้เปียบเลยแล้วสวมบ่วงที่คอทันใดนั้นจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากกิเลส ฟังดูใหม่มันปัจจุบันทันดน่วนเหลือเกินนะแม่เป็นชีวิตที่น้าหวาดเสียวหน้ามาสร้างเป็นหนังมากเลยนี่พระพวกนี้นะมีหลายองค์แบบนี้ประเภทชีวิตหวาดเสียวอย่างนี้ที่ว่าทันใดนั้นบรรลุเนี่ยเนื่องจากว่านางนะรู้วิปัสสนาอยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วทีนี้พอระหว่างทําเนี่ยมันถูกไอไอไอิเลสเบียดเบียนนิวรนเบียดเบียนไอนิวรนโซนีมันเกิดกลัวเชือก ผูกคอตายไอ้คนเรามาผูกคอตายนี้วอนมั น, ม, นมันไม่กล้ามันไม่ยอมตายด้วยอ่ะบอกว่าเองตายคนเดียวทาไม่ตายด้วยเลยทำให้เกิดภาวะพอหมาะพอดีวิปรสรนาเลยได้จองก็เลยกำหนดไปโดยลำดับและบรรลุตีลวดตั้งแต่โสดาบันจนถึงบรรลุพระราน ในที่นั้นนั่นเองผูกคอแล้วหรื อ, อยังนี่ท่านบอกก็าสวมแล้วนะแต่คงจะยังไม่ได้กระตรงไม่ยังไม่ไม่ได้เรียกว่าอะไรยังไม่กระโดดไม่ได้ชักเชือกยังไม่ลม้มโตแต่ไอ้กิเลสมันมันยอมแล้วมันคงยอมมาล่วงหน้าแล้วนะมันคงหงอยมาล่วงหน้าแล้วตั้งกตะตัดตินใจจะตา ย, ยผูกคอตายเนี่ย เอ้นี่เราเอาไปใช้บ้างไม่ได้เลยเนี่ยนี่ใครตั้งสำนักแล้วมีเชือกมีมีดมีอะไรใครสู้กิเลสไม่ได้ทํากิเลสให้ยอมด้วยวิธีนี้เอามีดไปขู่บ้างเอาปืนไปขู่บ้างเชือกไว้ขู่มันมันบ้าง ม, ม, มันบ้างมันจะยอมไหมถูกไหมฮเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยแนะนำใจกับใครนะเขาใช้เขาใช้ไปตามจตา่ากรรมของตัวเอง เท่านั้นเองไอ้ใจกระโดดกระโดะโดยอดเขาตรงเขาตายอย่างพระวะกาิอะไรั่นก็เป็นอีกลายหนึ่งจึงได้บรรลุทีนี้ไอ้ตรงนี้นะคนที่ถูกกิเลสนิวรใดๆรบกวนเนี่ยอย่างกรณีของนาง ส, สีหานี่มันมีสองระยะระยะแรกกับระยะหลังนี่พูดถึงอย่างในประสบการณ์อย่างในวงการปฏิบัติ เอ่อถ้าสมมุติว่าคนไปปฏิบัติไปเข้าแล้วก็ถูกกิเลสโลภะโทสะลากาบรบกวนจนไม่เป็นอันทาเลยอย่างนี้นะควรระยะแรกถือว่าอ่เป็นความบวรบกวนที่ค่อนข้างะหาบมากนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ทำไปทำมาก็โดยทั่วไปนะก็อยู่เรียบร้อยทำได้แล้วก็นึกว่ามันอาจจะหมดแล้วเอาชนะมาได้แล้วแต่กิเลสเนี่ยนะฮะมันหาช่อง อันนี้ถ้าใครนั่นก็จะฝากจำไม่เลยพอไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมาเป็นหาผลเยอะครับทั้งหลับทั้งตื่นปฏิบัติได้ผลใหม่ๆนอนหลับสบายดีไม่ฝันเลยจิตสงบนนกว่ายิ่งนานยิงดีพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับกลางค่มกลางคืนนมันฝันฝันได้ทุกคืนฝันได้เรื่อง กเลเรื่องลามกยกบเบรดงี้นะมันปะทุออกมาแต่ว่าไอ้นี่คือกระบวนการของการละและตรงนี้แหละที่ผมเนี่ยเพิ่งมานึกได้ทีหลังเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีนักปฏิบัติถึงขนาดลาออกจากงานไปปฏิบัติแล้วก็เลิกเลิกและเหตุผลเขาเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าเขาเขาคงเอาดีทางการปฏิบัติไม่ได้ เพราะอะไรเพราะไปปฏิบัติเนี่ยถูกไอ้กามลาค่ามารลอบกวนรุนแรงเหลือเกินจนนึกว่าตัวเองไม่มีวาสนาแล้วตอ น, นั้นเราก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้เขาก็คงไม่รู้เหมือนกันนะพอไปไอทําไปทํามาแทนเมื่อก่อนก็ดีใหม่ๆก็ว่าดีทําไปทํามากิเลสแทนที่จะลดกับกิเ ล, เลสเยอะเละเอะเทอะไปกันใหญ่เลยเลยเลิกนึกว่ามันหมดบุญแค่นี้ จะเลินในทําได้แค่นี้เรามารู้ทีหลังวอ๋อนี่เขาเสียท่าแล้วเสียท่ากิเลสละกิเลสมันทิ้งทวนเน่ยตอนนั้นนะถ้ามณฑิการดีเอาชนะตรงนี้ไปได้เนี่ยจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยเสียดายเสียดายแทนนี่มันนึกได้ตอนหลังนี่แล้วก็เลยไม่รู้เจ้าตัวเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ไปเป็นขโมยกระโจรอะไรไปแกล้วเราไม่รู้นะ ไปเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นกิเลสเราเนี่ยมันโจมตีหนักเป็นระยะระยะผมเทียบอย่างนี้ฮะเหมือนอย่างวิปัสณูเบกิเลสเนี่ยที่เรียกว่าวิกิเลสของวิปัสนาถามว่ากิเลสมันรบกวนเราเฉพาะตอนได้ยานสี่แรกๆหรือหรือมันกวนมาตลอดแล้วก็จะกวนหลังจากนี้ไปตลอด แล้วทำไมไม่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสโนปกิเลตั้งกั่ก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นละ่ะทำไมมาตั้งหน้าตั้งตาโกนใหญ่ในยานที่สีที่ได้ขัน้นเริ่มต้นไอ้จริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันกวนตลอดนะจริงไม่จริงกวนตลอดเลย จนกว่าเราไปถึงมรรคถึงผลมันถึงจะเลิกกวนกวนมากกวนน้อยรุนแรงแค่ไหนมันกวนเป็นพื้นในตลอดแต่มันจะมีกิเลสที่เราเบิดออกมันหนะักอย่างร้ายกาศเนี่ยเป็นคราวราวเป็นระยะระยะนะฮะตรงนี้แหละที่จะทำให้เราแพ้และก็ใจผิดด้วยเหตุผลต่างๆนาน า, ต า, ตาแต่ในวิปัสสนาญาณที่ท่าน เรียกว่าวิปัสนาอุบกิเลสเนี่ยท่านมุ่งสแสดงไอ้กิเลสกรณีพิเศษตรงนี้ค่ะคือวิปัสนาของท่านท่านหมายเอาวิปัสนาแท้จากคนที่ยังไม่เคยได้วิปัสนาแท้เช่นนี้มาก่อนเพราะวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาแท้ต้องเริ่มที่ยานสีนะฮะก่อนหน้านั้นไม่แท้กีเลสที่รบ ก, กวนนั้นเป็นกิเลสยุย่ยๆไม่ใช่รุนแรงไม่ใช่เกิดในลักษณะท้าทาย ที่เรียกว่านทำน้องหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่พอน้ำร้อนมากิเลสมันเข้าม า, า, าท้าทายท้าทายด้วยไอความติดอะไรแต่อะไรที่ถือเป็นเรื่องรุนแรงและจะต้องพ้นใครที่พ้นกิเลสที่เข้ามาลุมเมื่อตัวเองได้วิปัสสนาญาณแท้ๆเป็นครั้งแรก ไปได้คนนั้นชื่อว่าเอาชนะวิปัสนาภกิเลสส่วนไอ้ที่เกิดกรณีรอื่นหนักบ้างเบาบ้างเนี่ยมันไม่ใช่กรณีพิเศษอย่างวิปัสนาภกิเลสในกรณีตรงนี้เพราะนั้นกรณีตรงนี้เนี่ยจากคนที่ไม่ได้วิปัสสนามาก่อนเลยมาได้มันก็เกิดกิเลสก็เป็นกรณีพิเศษตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงว่า ในกรณีของนางที่ที่ปฏิบัติวิปัสนาณตรงนี้นางกําหนดลายลักษ์อะไ ร, ะไรนะอะไรเป็นเจ้าเรือนอั น, นิจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรเป็นเจ้าเรือนกรณีของนางเนี่ย ไม่ได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นจริงตอนค่าตัวตายใช่ไหมฮะไม่ได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นเหมือนอย่างเ네นนเมื่อ ก, กี้นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นางกำหนดอย่างในอารมณ์ของวิปัสนาที่นางได้นั้นเป็นเรื่องอนัตตานนปัสนา อ่อันนี้ก็ความจริงมันไม่ใช่เป็นหลักที่จะไปกล่าวในกรณีทํานองอย่างนี้ได้กับทุกคนนะเป็นเรื่องที่ที่ไม่แน่ตีว่าแล้วดังนั้นแต่ละคนเนี่ยไอ้รูปการมันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นก็เป็นก็ได้ก็ต้องว่าไปเป็นคนๆไปนี่เป็นเป็นรายหนึ่งที่ข อ, อามาเล่าแทรกให้ฟังนะฮะ ามาดูประเด็นสุดท้ายของเอกสารต่อให้จบในเอกสารชุดสิสาเอกสาราในหน้าที่สามประเด็นที่สองที่บอกว่าพระสรูแสดงปริญญาในอริยสัจสีปริญญาในการรู้อริยสัจสี่เนี่ย ในสูตรนี้บอกชัดว่าไม่ได้รู้ทีละอย่างรู้อันใดแล้วก็เนื่องไปถึงอริยสัจอันอื่นด้วยว่าที่จริงทั้งโลกียวิปัสนาก็เช่นเดียวกันอย่างที่พูดเมื่อคราวที่แล้วมีหลักฐานอัตตกะาอธิบายไว้ชัดเจนนะฮะว่าอะไรเป็นทุกข์สัจอะไรเป็นสัจจะอะไรยิ่งโลกุตระยานก็รู้อริยสัจ ยังทั่วถึงหมดเลยดังที่พระขวามปติได้กล่าวถึงอน้นี้ได้อ้างเป็นสองสูตรนะสูตรแรกท่านตั้งชื่อว่าปริญ ย, ยสูตรเหมือนกันสิ่งที่พึงกํกำหนดรู้ตรัสว่าดูก่อนวิสูทั้งหลายอริยสัจสี่ประการนี้สี่ประการเป็นยังไงคือทุกกรัตรทุกกันนิโรธสัจอ่ า, อาจะนี่ก็ข้ามไปจนถึงทุกกันนิโรทกามีีอริยสัจ อรียสัตว์สีประการนี้แหละบรรดาอาริยสัตว์สี่ประการนี้อาริยสัตว์ที่ควรกำหนดรู้ควรละควรกระทำให้แจ้งควรให้เกิดมีมีอยู่แล้วก็ต่ายขยายความว่าอาริยสัตว์ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไงทุกข้าอริยสัตว์ควรกำหนดรู้ทุกขะสมุทรไทยอาริยสัตว์ควรละทุกกะนิโรธกะทุกกนิโรธอาริยสัตว์ควรกระทำให้แจ้งทุกกะนิโรธกาม่มีปฏิปทาอริยสัตว์ ควรให้เกิดมีเราก็คงฟังแล้วเข้าใจนะเป็นการประกาศประเภทของสัจจะและอริยสั์จิตของอริยสัย์ด้วยแล้วก็ตรัสชักชวนให้รู้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทาความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนทุ ก, กะนิโรธกาไมนีปฏิปทาเป็นที่อันนี้เป็นการ ประกาศชวนให้รู้ว่าอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่พึงกําหนดรู้อย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่พึงกําหนดรู้ก็หมายว่าเป็นการแสดงอริยสัจอย่างเป็นยานวัตถุน ะ, ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นยาณวัตถุหมดซึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมรรคเนี่ยเป็นทั้งยานมีฐานะเป็นยานด้วย และเป็นยา น, นวัตถุด้วยเพราะยานย่อมรู้ยานคือรู้ว่ารู้ใช่ไหมเวลาเรารู้ก็จะรู้ว่ารู้เห็นความรู้ของเราด้วยเพราะนั้นยานก็เป็นยา น, นวัตถุทุกเป็นญา น, นวัตถุสมูทัยเป็นยา น, นวัตถุในฐานะของทุกและสมูทยัยมักเป็นยา น, นวัตถุ ด, ด้วยแล้วก็เป็นผู้ทำงานด้วย นิโรธเป็นยา น, นวัตถุที่เป็นสายนิโรธส่วนแล้วในสี่ยานนี้ยานไหนจะทำอาเรียสัตว์ไหนเป็นอารมณ์ทำอาอรียสัต์ไหนเป็นอาสามโมหะก็แล้วแต่ลำแล้วแต่ยานว่าเป็นโลตระหรือโล ก, กิยาันสูตรนี้ก็คัดมาให้ดูเพื่อตรงนี้และสูตรที่สแสดงถึง ความเสมอกันของความรู้พระขวัมปติเป็นผู้แสดงพระขวัมปตินี่เป็นพระองค์เดียวกับใครนะชื่อองค์เดียวกับใครผมนึกยื้อสั่นไม่ออกแต่อีกชื่อนึ่งที่เรามักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งสมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระมากลูปอยู่ณเมืองสห ชนิยะเควนเจตีก็สมัยนั้นเมื่อพิสูผู้เดระมากรูปกลับจากปิณระบาตในเวลาปัชชาพัฒนั่งประชุมกันในโรงกลมเกิดสนทนากันขึ้นในระหว่างประชุมว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายผู้ใดเนาะแล่ย่อมเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม่ทุกขะสมุ ท, ไทัไอ่ะเนี่ยเห็นแม่ทุกขสมุ ท, ทยัย แม้ทุกข์นิโรธแม้ทุกข์นิโรตกามีนิปฏิปทาเมื่อวิกษูทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ท่านขาวัมปติได้กล่าวกับวิสูทั้งหลายว่าดูก่อนผู้เมียยุทั้งหลายผมได้ฟังมาได้รับม า, าเฉพาะพระพักพระผู้เมียพระความจริงท่านขวัมปติท่านก็เป็นอรหันต์แต่นี่เป็นการพูดแบบเอาหลักฐานจากพระโอษว่ากันท่านก็ชักพระโอษมาสนับสนุนว่าพระผู้เมียพระได้ตรัสว่าดูก่อนวิ อ่าว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนี่ยผู้ใดย่อมเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกกะสมูทัยแม้ทุกกะนิโรธแม้ทุกกะนิโรตกาม่มีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นสมูทัยก็เห็นอริยสัจสี่ที่เหลือผู้ใดย่อมเห็นทุกกะนิโรธผู้นั้นก็เห็นอริยสัจอื่นที่เหลือผู้ใดย่อมเห็นทุกกะนิโรตกาม่มีปฏิปทาก็เห็นอริยอริยสัจสีที่เหลืออันนี้น่ะถ้าเรามาพูดกัน การเห็นในขั้นโลกิยะวิปัสนาเนี่ยเวลาคนทําวิปัสนาเนี่ยจับเอาอริยสัจสีเป็นอารมณ์ก็พูดอย่างนั้นก็ได้เช่นว่าจับทุกข์เป็นอารมณ์ชื่อว่าเห็นทุกข์เป็นอารมณ์ในบางครั้งก็เข้าใจอริยสัจอื่นมันก็ะพ้อนไปถึงหมดเลยฮะโดยปริยายแล้วก็มาจับ มักเป็นอารมณ์คือนึกถึงตัวเองผู้กาหนดรู้ก็จับมักเป็นอารมณ์ก็กำหนดรู้อย่างอื่นเชื่อมถึงหมดจะไปจับอันอื่นเป็นอารมณ์โดยประการใดๆก็เชื่อมถึงอันอื่นหมดเว้นแต่นิพพานเท่านั้นแหละที่นึกแต่เพียงว่าเป็นในเท่านั้นเองเห็นความเข้าใจชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ขั้นของญาณสายโลกยัก์ ทีนี้ถ้าเป็นโลกุตละมักเนี่ยมักนั้นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแต่ก็ไม่หลงคือแจ่มชัดในทุกสมูทายหมดเป็นไปตามกิจนั้นว่ากิจไหนควรจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยก็ทำกิจนั้นอย่างถึงพร้อมหมดโดยประการทั้งปวงท่านจึงถือว่ารู้หมด คือจริงว่าทั้งอาสัมโมหะปฏิเวททั้งอารมณะปฏิเวทคลุมอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็เมื่อพ้นมรรคยานไปแล้วสมมติว่าไปได้ปัจเจเวกพระหันนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยว่ามัคเป็นอย่างไรหนอหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ได้นี่เอามัคเป็นอารมณ์ทุกเป็นอย่างไรหนอหน่วงเอา อนนีจังทุกขังหน้าตาของนามลูกเป็นอารมณ์ได้สมุทัยเป็นอย่างไรหนอหนหลวงได้นิโรธเป็นอย่างไรหนอนหลวงนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ตกลงนี่พอถึงปัดฉั้นปัจเจเวกแล้วเนี่ยน่วงมาไล่เลี้ยงได้หมดเลยสามารถเอามาขี่เคี้ยวไม่ตำล่าตำลาสามารถเอามาเทศนาสั่งสอนแก่อันเตวาสิกสัตติวิหาริของตัวเองได้อย่างชัดเจ น, นเรียกว่าทําให้เป็นอารมณ์นี่คือถึงที่สุดแล้ว เสมอกันหมดถ้าเป็นอย่างเราปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมาบ้างพูดถึงทุก์ในขั้นที่เราจะพึงเข้าใจได้เราก็เข้าใจได้ชัดเจนสามูไทยในระดับนั้นเข้าใจได้ชัดเจนมักในระดับนั้นเข้าใจได้ชัดเจนนิโรธในระดับนั้นเข้าใจได้ชัดเจนอนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายนะฮที่ผมเอามาทิ้งท้ายสําหรับการบรรยาย เรื่องปริญญาปัญญาในครั้งสุดท้ายในวันนี้แล้วเราจะจบไปก่อนแล้วก็จะบรรยายตั้งเรื่องบรรยายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของปหาณาปริญญาแต่ว่าจะตั้งเรื่องเป็นเรื่องความละกิเลสและในที่นั้นจะอธิบายกระบวนการทั้งหมด เกี่ยวกับความละกิเลสว่าภาวะของการละกิเลสคืออะไรแล้วก็หลักใหญ่ของการละกิเลสในพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออย่างไรจะอธิบายวาดลงมาถึงการละกิเลสแม้ที่ไม่ใช่ขั้นของปริน ญ, ญาที่เรียกว่าละกิเลสเนี่ยตั้งแต่แตโดยเฉพาะอย่างยิ่งะละกิเลส ที่มีวิธีการมากมีรายละเอียดมากนะคือตะาัทางค่าปาหานะวิธีการเยอะในแง่ของวิธีการแล้วพอทางมาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยมันจะมีหลักใหญ่ของการละกิเลสก็จะประมวลมาสักเป็นครึ่งเรื่องครึ่งคอเรื่องแล้วก็อย่าพูดถึงาการละกิเลสอย่างที่เป็นปริญญา ก็ยังไม่ได้ตกลงกับทางฝ่ายจัดการว่าจะเปิดต่อเมื่อไหร่คือเรื่องอันนี้นะถ้าไม่ต่อนะอเดี๋ยวกลัวจะต่อไม่ติดรวมทั้งคนพูดด้วยเดี๋ยวจะพูดทีทีไปควานหาข้อมูลหาอะไรกันยากอีกแหละก็เลยจะต่อไปซะเลยเข้าใจว่าอาจจะพูดกันสักหกครั้งแล้วก็จะจบนะไม่พูดไม่พูดยาวเต็มที่ขนาดนี้ ก็ลองรอฟังข่าวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังจริงๆนะอยากอย่าหยุดสักสองอาทิตย์แนละ้วก็เปิดตั้งแต่วันเสาร์ต้นธันวาไปเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้ตกลงกับฝ่ายจัดการเขาก็จึงยังไม่ข อ, อประกาศเอาเป็นที่แน่นอนนะฮะแน่นอนอย่างไรแล้วจะเสียให้ทราบทางจดหมายอีกที มีปัญหาอะไรจะพูดคุยไหมล่ะครับฟังแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะขอยุดติเท่านี้นะครับขอชวนพวกเราร่วมกันมอบกุศลผลบุญที่เราได้ทำกันเนี่ยให้แก เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในเบื้องต้นเนี่ยขอให้บุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมของเราติดต่อกันสิบสองครั้งในเรื่องของปริญญาปัญญาขอให้กุศลละจิตทั้งหมดทั้งในส่วนของการฟังและส่วนของการแสดงเราขอ ถวายเป็นพุทธบูชา ร, รมบูชาสังฆบูชาขออุทิศแก่เทพยดาทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกๆุกองอ์ขออุทิศให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราทั้งในทางโลกทางธรรมบิดามารดาปูยญาตายายาส า, าโลหิตทั้งหมด ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่